ม, ม, มหน้าที่และความรู้สึกของมนุษย์เรามีต่างจากสัตว์สัตว์เขาขึ้นขึ้นมาเที่ยวหากินพยายามหลบภยัยภัยส่วนมากก็มีจากมนุษย์และนอกจากนั้นยังมีสัตว์ ชนิดต่า ง, างๆซึ่งเป็นภัยต่อกันโดยลำดับมนุษย์เราสแสวงหาอาชีพทางส่วนร่างกายความเป็นอยู่อย่างชีวิตแล้วก็สแสวงหาธรรมเพื่อเป็นอาหารหล่อเลี้ยงจิตใจนี่เป็นมนุษย์ที่ฉลาดการสแสวงหาอาหารเพื่อความเลี้ยงกีบธรรมดานี้ก็มีเหตุติดแปลกอะไรกับสัตว์เดือดฉานซึ่งเขาก็สแสวงได้เหมือนกันกันกบเรา แต่อาหารภายในคือจิตธรรมะกับจิตใจงามความดีซึ่งเป็นอาหารของใจโดยตรงนี่สัตว์เขาไม่สามารถมนุษย์เราสามารถตึงต่างจากเขาในแน่หนที่พระพุทธเ จ, จา้าท่านว่าปราดท่านว่าคนฉลาดนั้นฉลาดอย่างนั้นพาละชนนั้นความหมายถึง ความรู้สึกความคิดเห็นเป็นธรรมดาเป็นแบบโลกโลกไม่มีธรรมเจือปนเลยและนอกจากนั้นความรู้สึกชนิดนั้ น, นยังเปลี่ยนแปลงลงไปในทางที่ต่ำํำทำความโดดร่อนให้แต่ตนและคนอื่นด้วยทำเพียงแค่บทพาละทนน่าจะมีความรู้มากมายเพียงใดก็ตายไม่ได้จัดว่าเป็นปรับเป็นผู้ฉลาดเพราะคาาํเจ้าความฉลาดในทางหลักมุสศาสนา น, นี้ต้องฉลาดเพื่อ ความร่มเย็นจากตนและผู้อื่นดังพระพุทธเจ้าของเราเป็นตน้นความฉลาดแล้มคมไม่มีใครจะเกินพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็อยู่กับโลกและสามารถทำโลกให้ได้รับความร่มเย็นไม่มีใครเสมอพระพุทธเจ้าอีกเช่นเดียวกันมนุษย์ราที่มีกิเลสมีความถลาดมากอยู่ด้วยกันมักจะลังแกกันมักจะเอาัดเอาเปรียบผู้งโง่นี้เป็นธรรมดา ของทาละชนที่นักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทรง ต, รงตาหนิส่วนความรู้ของพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมีมากมายเพียงไหลทุ่มเทลงเพื่อเป็นประโยชน์ให้ความร่มเย็นแจกจ่ายโลกมากมายเต็มกับสติกำลังความสามารถของตนเช่นพระพุทธเจ้าก็ทรงประทานพระโอวาทให้แก่บรรดาสัตว์ทุกแน่ทุกมุมที่จะรับได้ตามขั้นตามภูมิ ความสามารถของตนจงกระทั่งเสด็จเข้าสู่พระนิพพานแล้วยังประทานธรรมะไว้อีกมากมายกายกองจนกระทั่งถึงตุวันนี้เรายังไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้ได้ตลอดทั่วถึงในบรรดาธรรมที่พระองค์ท่านได้ประทานมาแล้วนั้นเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วก็มอบให้หน้าที่มอบหน้าที่ให้แก่บรรดาสาวกได้นําความร่มเย็นที่มีอยู่ภายในจิตใจซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของตน และออกแก่ใจแก่บรรดาสัตว์เลื่อยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นี่ยคนฉลาดตามหลักธรรมคนฉลาดในความเป็นมนุษย์เป็นเต็มพูนอยู่ได้กับคนโง่อยู่ได้กับทุกประเภทท้งสัตว์พระพุทธเจ้าไม่เคยถือพระองค์ว่ามีความยิ่งหย่อนกว่าบรรดาสัตว์ทั่วทั้งโลกกานนี้เพราะอำนาจแห่งพระเมตตาที่มีความจงรักพอดีมีความสงสาร มีความเอ็นดูนั่นแหละเป็นกําลังอันสําคัญที่จะให้พระพุทธเจ้ากับจัดอยู่ด้วยกันได้ด้วยความร่มเย็นเป็นศกพระองค์เสด็จไปในฐานที่ใดไม่ว่าเทวดามารพร ม, มนุษย์มานาตลอดสัญชาติเรชานไม่เคยมีภัยอะไรจากพระพุทธเจ้านอกจากจะไรับความร่มเย็นตามกําลังของตนที่จะพึงรับกระแสจากกระแสธรรมจากพระพุทธเจ้าได้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่น บรรดาพระสาวกทั้นหลายกองเมือนกันเพราะท่านไม่มีพิษภัยภายในจิตใจนอกจากมีแต่คุณธรรมล้วนๆซึ่งเป็นความร่มเย็นเป็นสุกจุภายในจิตใจแล้วแผ่กระจายความร่มเย็นเป็นจุกจนออกไปสู่สัตว์โลกด้วยกันให้รับความร่มเย็นเป็นจุกตามกําลังความสามารถของตนที่จะเป็นรับเอาไว้ได้เนี่ยคนฉลาดเป็นอย่างนั้นคือคนฉลาดที่สิ้นกิเลสเป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นทองทั้งแท่งแทียบป็นทองถ้าเป็นความร่มเย็นก็เรียกว่าเย็นโหมด ใจทั้งดวงมีธรรมทั้งทั้งดวงอยู่ภายในจิตใจเชิงเป็นธรรมชาติที่อ่อนโยนมากจิตใจที่มีธรรมจิตใจที่เป็นธรรมเป็นธรรมล้นล้ว น, วนย่อมมีความเย็นอย่างลึกซึ้งไม่มีวันจิดจางไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกบุคคลไม่เลือกชาติชั้นวรรณะมีความสม่ำเสมออยู่ด้วยถ้าเมตตาถ้าเป็นพระพุทธเจ้าถ้าเป็นสาวกทั้งหลายก็มีความสม่ำเสมออยู่ด้วยความเมตตา มีความของพระภาคต่อสัตว์ทั่วไปไม่ถือว่าตนยิ่งตนมีคุณค่ายิ่งกว่าเขาไม่ถือว่าเขาร้อยกว่าเราถือว่าเป็นเพื่อนทุกเกิดแจกเจิดตาด้วยกันหมดทั้งสิ้นท่านผู้ที่จะอ่านกรรมกรรมของสัตว์ทั้งหลายให้ละเอียดละ อ, อีถีทัว่วตลอดทั่วถึงก็คือท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วนั่นแหละจึงสามารถเข้ากับสัตว์ได้โดยสนิทเพราะท่านเคยผ่านมาแล้วในเรื่องเหล่านี้ เรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเรื่องความทุกข์ยากลําบากฐานะสูงต่ําประการใดท่านเคยผ่านมาทั้งหมดเมื่อเป็นเช่นนั้นทําไมท่านจะไปลังเสียจเพราะความเป็นมาของท่านเป็นเหมือนเคยเป็นเหมือนกันมาแล้วนี่แล้วท่านนอกจากท่านจะประมวลเรื่องกรรมของสัตว์เข้ามาพิจารณาเทียบเียงกับองค์ของท่านแล้วเกิดความเห็นอกเห็นใจกันมีความเมตตาสงสารซึ่งกันในกันเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นและบรรดาท่านผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วเป็นอย่างนั้นล้วนๆเพลกับ จิตใจของคนมีกิเลสอยู่มากซึ่งมีอะไรเข้าไปก็คอยเป็นพิษทั้งหมดเพราะธรรมชาติยาพิษมันมีอยู่ภายในใจอันใดที่เข้าไปแทนที่จะเป็นคุณก็กลายเป็นโทษไปหมดเพราะธรรมชาติอันนั้นพาให้เป็นโทษความรู้ที่แทนที่จะทําประโยชน์ในโลกได้รับความร่มเย็นก็กลายเป็นความร้อนขึ้นมาเพราะใจซึ่งเป็นเจ้าของอย่างความรู้ใจซึ่งเป็นเจ้าของอย่างความรู้วิชาที่เรียนมานั้นมันเป็นพิษ เหตุที่ใจเป็นพิษเพราะมีสิ่ ง, งที่สิงอยู่ภายในใจิตใจอันเป็นพิษใจเลยกลายเป็นพิษภัยไ ป, ไปด้วยกันนีม่มันต่างกันตรงนี้โดยเห็นนี้พระพุทธเจ้ายังได้แนะนําสั่งสอนบรรดาจักรแม้จะยังไม่รู้ไม่เห็นก็ตามให้ท่องเอาไว้หลายๆครั้งหลายๆหุนและปฏิบัติตามจะเข้าถึงธรรมชาติที่ท่านเคยแสดงไว้เสมอว่า สเพสสตาร์นว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์กระแก่เก็บตายเจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเวลาหนตุเรื่อยไปเวลา อ, อุยาประชาอเนคาสุตีตะรังไปหาหนนตุ้ยกเขายาบ า, า, าดพาเวรซึ่งกันยังกรนอยากเกียรตนายอะไรต่ออะไรทางกันเพราะเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่ตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นแล้วขอให้นําตนไปสู่สุขโดยทั่วหน้ากันเถิด อันนี้เป็นผิวเผินสําหรับจิตใจของเราที่มีแต่ความผิวเผิอนอยู่ภายในใจแต่เป็นความลึกซึ้งในพระาวากที่พระเจ้าทรงแสดงออกมาจากความจริงในพระไถ่เมื่อเราได้ปฏิบัติตามหลักธรรมของพระเจ้าจนชำนะสิ่งที่แข็งกระด้างสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยออกจากจิตใจแล้วทําเหล่านี้จะค่อยซึ้งเข้าไปเดิมดับเมื่อจิตได้ซึ้งเต็มตัวเต็มภูมิของจิตจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้ว ธรรมะเหล่านี้จะซึ้งที่สุดไม่มีอันใดที่จะซึ้งยิ่งกว่านี้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีคําสั่งสอนหรือโอวาทของใครลัทธิใด ท, ที่จะให้ความเสมอภาคอย่างลึกซึ้งแก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายยิ่งกว่าพระโอวาทคำของท่านพระเจ้าหรือยิ่งกว่าศาสนธรรมในภ า, ายในจิตใจของเราก็เหมือนกันเมื่อได้ชําระลงไปโดยลํําดับาดับ จนกระทั่งทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาภายในจิตใจภายนอกก็เป็นความจริงตามสภาพของเขาภายในก็เป็นความจริงตามสภาพของตนธาตุขันคือธาตุสี่กันห้าก็เป็นความจริงตามสภาพของตนจิตก็เป็นความจริงตามสภาพของตนแล้วจะเป็นความสมุภถภาคด้วยกันหมดนี่หมายถึงจิตของเราโดยเฉพาะไม่ถือว่าอะไรยิ่งอะไรหย่อนเป็นความสมรรภาพเหมือนกันหมดมีเป็นความสมรรภาพในคุณสมบัติของผู้บำเพ็ญ นอกจากนั่นก็เป็นความเสมภาคในบรรดาฐานโลกด้วยกันไม่คิดดูถูกเหยียดหยามซึ่งเป็นการขัดต่อความจริงที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนอันใดที่จะแสดงไปผิดจากความจริงนี้มันก็รู้สึกมันกระด้างกระด้างลุกชะกิดสะกิดภายในจิตใจอันจะเป็นการก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่นหรือเบียดเบียนทำลายคนอื่นแล้วมันก็ฝืนภายในใจเพราะใจอันนี้เป็นใจที่เสมอภาคแล้ว นี่เรพูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้าแล้ย้อนเข้ามาบำเพ็ญตัวของเราให้มีความสงบโล่มเย็นด้วยศีลด้วยธรรมนี่แหละเป็นที่แน่นอนใจเป็นสิ่งที่ฝึกฝนอบรมได้เวลาเป็นพิษเป็นภยัยก็เป็นเต็มที่แต่เวลาได้นับการชำระแล้วมันก็หายพยศลงมาเพราะอํานาจอัดรามมีเหตุมีผลเป็นเครื่องปกครองตนเองจริงได้ควรจริงได้ไม่ควรจริงได้ควรหักห้ามจริงได้ควร ปล่อยให้เป็นไปสิ่งใดควรขยันหมั่นเพียรสิ่งใดควรส่งเสริมเราก็รู้ตามเหตุตามผลของมันจิตใจก็ค่อยมีความผ่อนสายค่อยฟังเสียงเหตุผลของเราต่อจากนั้นเราก็ปกครองจิตใจของเราได้ว่าอันใดควรไม่ควรความอยากไม่ทะลึ่งเราได้เพราะเหตุผลมีอานาจเหนือกว่าความอยากนั้นๆซึ่งเราเคยปฏิบัติมาแล้วจนเคยชินการดูผลจิตใจของเรานี้เป็นสิ่งที่ดีมาก ทังหน้าที่การงานการบําเพ็ญศีลธรรมไม่ทําหน้าที่การงานทางโลกใดๆให้เสียไปเลยนอกจากจะเป็นเครื่องสนับสนุนทางโลกให้มีความแน่นอนแม่นยําต่อความจริงหรือต่อผลประโยชน์ไม่ผิดไม่พลาดเพราะจิตที่รับการอบรมหนึ่งเป็นจิตที่มีความเชื่องไม่ว่าแวดความแปน่สองเป็นจิตที่มีเหตุผล นี่หลักใหญ่แล้วทำอะไรทำเรื่องความจงใจเราจะคิดอ่านใ่ตรองหน้าที่การ ง, งานใดๆด้วยใจเป็นธรรมนี้ย่อมเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอไม่เอียงน้่นเอน็นนี้และผลที่ฮือได้รับก็ต้องถูกต้องดีงามราบรื่นบางคนพูดและมีจานวนมากว่าการปฏิบัติศาสนาทาอีกการงานทางโลกหือเหมือนเขาเป็นการกดถ่วงการงานทางโลกโลงอย่างนี้มี นั่นคือคนไม่เข้าใจศาสนาว่าศาสนาเป็นอะไร<ม>เหมือนอะไรศา ส, สนาไม่ใช่เป็นเพชฌฆาตไม่ใช่เป็นสิ่งที่คอยทําลายหรือสังหารกิจการงานของโลกเพราะพุทธเจ้าสอนโลกนั้นเพื่อผลประโยชน์แก่โลกโดยตรงไม่ใช่สอนเพื่อโลกทําละทําทําลายโลกสอนเพื่อฟื้นฟนูโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยความสงบหาสุขเย็นใจต่างหา มันก็ผิดจากเจตนาผิดจากเทววัตรมโนเจ้าถ้าว่าคํา่างๆข อ, องท่านเป็นการกดทวงเศรษฐกิจของบ้านเมืองไม่มีมีที่ตรงไหนเราก็เรียนมาต่างกําลังความสามารถของเราแต่ยังไม่เคยปรากฏนอกจากคนที่ไม่เข้าใจศาสนาแล้วก็พูดไปแล้วทําให้คนอื่นที่ไม่เข้าใจฉียหายไปด้วยเกิดความท้อใจอ่อนใจที่จะปฏิบัติ เพราะตนก็ไม่เคยปฏิบัติอยูแล้วยิ่งมีผู้มาเป่าหูก็ไปงั้นมันก็ไปใหญ่แล้วผิดกับความจริงของศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าสอนเพื่อฟืน้นฟูโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันเอาหน้าที่การงานไม่เคยสอนให้มีความทอดท้อ่อนแอมีความเจ็บครานสอนให้มีความขายันหมั่นเพียรทุกสิ่งทุกอย่างอันจะเกิดผลเกิดประโยนนั่นนอกจากสอนแล้นังสอนในการ ระมัดระวังการเก็บการรักษาการจับการจ่ายต่างๆด้วยให้เป็นไปด้วยความรอบคอบรอบด้านทุกสิ่งทุกแขนงานการคบค้าสมาคมกับผู้คนหญิงชายก็ตามให้เลือกให้เส้นเนี่ยท่านบอกไว้หมดการเลี้ยงชีพก็ให้เลี้ยงพอประมาณอย่าให้เหลือเฟืออย่าให้ฟุ่มเฟือยจนเกินไปซึ่งเป็นการเสียนิสัยนอกจากการเสียทรัพย์สมบัติและทรัพย์สมบัติที่เหลือเฟือไปนั้นมันไม่เกิดประโยชน์แล้วยังต้องเสียนิสัยอีกเนี่ยท่านสอนอย่างนั้น หน้าที่การงานใดๆก็ขอให้ใช้สติปัญญาไ่าคุ้นด้วยดีเสียก่อนแล้วค่อยทํางานนั้นๆลงไปดังหลักธรรมท่านสอนด้วยว่านิสัมมกะกัณังเสถียรโยไขคุ้นด้วยดีก่อนก่อนที่จะทํางานใดๆแล้วจะไม่ผิดพลาดเป็นความดีแน่นอนนี่ยเป็นเครื่องรับรองไว้อย่างนี้จิตใจเป็นสิ่งสําคัญเป็นหลักใหญ่ถ้าจิตใจได้รับการอบรมแล้วไม่ว่าหน้าที่การงานใดๆทั้งหมด จะออกไปจา ก, กจิตถ้าจิตได้รับการอบรมที่ดีแล้วการงานจะเป็นไปด้วยความชอบธรรมแต่ถ้าจิตไม่รับการอบรมแล้วการงานมันก็เป็นพิษเป็นภัยไปได้ทั้งๆที่คนเห็นว่าเป็นขุนอาจารสอนให้อบรมเฉพาะ อ, อย่างยิ่งการภาวนาเราจะเห็นได้ชัดภายใน จ, ใจิตใจว่าบุญกุศลเป็นอย่างไราศาสนาอันแท้จริงเป็นอย่างไรจะทราบได้ในหลักภาวนาเป็นสําคัญมากกว่า การมาเพนในแง่อื่นบุญจะเกิดขึ้นจากการให้ทานก็ตามเกิด ข, ขึ้นจากการรักษาศีลก็ตามที่เก็บทั้ง บ, บุญทั้งหลายนั้นอยู่ในองค์ภาวนาพอภาวณารวมก็เสียจิตคือปรับภาชนะของเราคือใจนี้ให้ดีแล้วทุณงานความดีทั้งหมดที่เราได้สร้างมาด้วยวิธีการใดก็ตามจะรวมเข้าสู่ในจุดเดียวกันนี้ทั้งนั้นแล้วปรากฏได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจดวงนั้น ทาบารมีสีดับบารมีอะไรบารมีอะไรก็ตามแล้วรวมลงในจิตภาวนานี้ให้รู้เห็นชัดเจนอยู่ภายในใจนี้เราพา ย, ยายามทําใจของเราให้สงบตามปกติของใจนั้นจะหาความสงบไม่ได้โยนลิงร้อยตัวเข้ามานี่ภายในหาเราคนเดียวนี่สิเรเห็นเราขาหักแข้งหักขาหักนุ่นมันสู้เราไม่ได้ความรวดเร็วก็ว่าลิง มันรวดเร็วแต่มันสู้จิตไม่ได้ความวอกแวกคอนแพรนลูกลิกนี้ไม่มีอะไรที่จะแซงหน้าจิตไปได้เพราะฉะนั้นลิงถึงร้อยตัวก็ตามรวดลายจะไม่ทันจิตเลยแล้วลิงตัวไหนจะกล้าหานสู้จิตซึ่งมีความรวดเร็วยิ่งกว่าลิงเหมือนนั้นได้เพราะอันต่างตัวต้องต่างเพนลิงจะจับมาร้อยตัวพันตัวนี้แพ้อย่างลากโดดตกเวทียังไม่ได้ขึ้นต่อยเลยอะ่ะนี่เพอาะอะไรเพราะจิตมันมีความรวดเร็วยิ่งกว่านั้น ทีนี้เมื่อได้รับการฝักผลอบรมด้วยสติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรทั้งหลายแล้วความรวดเร็วนี้จะเป็นไปในทางคุณประโยชน์แล้วไมมีอะไรที่จะแซงหน้าความรวดเร็วแล้วความดียิ่งของจิตนี้ไปได้อีกเช่นเดียวกันท่านจึงสอนลงที่จิตนี้ให้ฝึกฝนอบรมจิตให้ดีตัวนี้เป็นตัวสําคัญเป็นตัวการทั้งท่านที่จะพาคนให้ดีและชั่วคือจิตต้องอาศัยการอบรมเพราะอย่างยิ่งการกิจภาวนาพยายามทำํำเช่นเราจะกําหนดอนาปานหติ คือลมหายใจเขาออกให้ทําความรู้อยู่กับลมขอ ง, ของเรานั่นแหละเข้าออกให้รู้ความสัมผัสสัมผัสที่ตรงไหนมากลมส่วนมากเขเป็นดังจมูกเรากําหนดทําความรู้ไว้ที่ถุงนั้นแล้วไม่ต้องไปกําหนดหมายว่าจะได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้จะรู้ดังนั้นเห็นอย่างนี้เราไม่ต้องไปคาดหมายอันนั้นเป็นสิ่งมารบกวนงานของเราที่กํลาลังทําจะทําให้ผลของงานไม่ปรากฏและจะทําให้งานเสียไป เราทำหน้าที่อ่นั่นโดยเฉพาะเช่นกำหนดพุดโทโธก็ให้มีความรู้สึกอยู่กับพุโทโธการรู้สึกอยู่กับพุโทโธในวงปัจจุบันการรู้สึกอยู่กับลมในวงปัจจุบันนั่นแหละคือการทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วผลคือความสงบเย็นใจจะปรากฏขึ้นมาและจะรู้จะเห็นเหตุผลจริงใดก็าตามจะเกิดขึ้นในวงปัจจุปัจจุบันที่ทำงานโดยสมบูรณ์แล้วนี้ทั้งนั้นไม่เป็นอย่างอื่นจีตเมื่อได้รับการอบรม มีอารมณ์เป็นเครื่องยึดเช่นอนาปาณาสติยึดลมเป็นหลักให้ความรู้นั้นเข้ามารวมอยู่ที่ลมถ้ากำหนดพุดโทโธก็ให้ความรู้มารวมอยู่กับพุโทโธเมื่อจิตได้มีหลักยึดแล้วกระแสของจิตที่คิดไปในแง่ต่างๆจะรวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามาเด่นขึ้นเป็นความรู้ล้วนๆภายในคำบริกรรมนั้นแล้วคำบริกรรมนั้นก็หมดปัญหาไปเช่นอย่างอนาปาณาสติเมื่อเวลากําหนดลมหายใจละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปลมละเอียด เข้ไปมากเพียงไรความรู้ยิ่งเด่นขึ้นเด่นขึ้นทีนี้ลมก็เลยหมดความหมายไปปรากฏแต่ความรู้ล้วนๆนี่เรียกว่าจิตทรงตัวได้เพราะอํานาจแห่งกรรมการกำหนดลมลมก็หมดความหมายไปในขณะนั้นจนกว่าจิตจะถอยออกมาจากความเป็นตัวของตัวรู้ความสงบนั้นแล้วก็ยึดอารมณ์เหล่านั้นเป็นหลักใจต่อไปอีกทําหลายครั้งและหนนจิตก็มีความเชื่องจิตก็มีความแน่นหนามั่นคงต่อตัวเองขึ้นไปโดยลำดับฐานของจิตคือความมั่นคงความสงบความเย็นใจจะ เป็นประเห็นปรากฏอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทํางานอยู่หรือจะเดินเหินไปทางไหนก็ตามความสงบที่เป็นฐานของจิตซึ่งเคยรวมหลายครั้งและผลอันเป็นการสร้างฐานตรง น, นั้นจะปรากฏเด่นขึ้นโดยลําดับ น, นี้ท่านเรียก ว, ว่าจิตเป็นสมาธิเราจะให้ชื่อว่าสมาธิหรือไม่สมาธิก็ตามขอให้เรามีความสงบใจมีความสุขความสบายเถอะอันนี้เป็นผลที่เราต้องการอย่างยิ่งชื่อนั้นไม่สําคัญสําคัญที่ความปรากฏกับ ก, บการบําเพ็ญหรือกับใจของเรานี่เป็นสิ่งสําคัญมาก เพียงขั้นสงบเทานี้แล้วก็เย็นใจอยู่ที่ไหนก็เย็นแม้จะไปทํางานทําการนิกิจมันรื่นเริงบันเทิงอยู่กับความเย็นความสงบความรื่นเริงภายในธรรมไม่มีความรื่นเรองใดจะสมอำได้แล้วความขยันมันเพียนความโอกพอใจใฝ่ในการภาวนามันจะมีขึ้นเรื่อยๆเพราะอํานาจแห่งผลที่ปรากฏอยู่ภายในใจเป็นเครื่องดึงดูดให้เกิดความเพีย้ยนความบุตสาหัสไปอย่างขึ้นมาแล้วยิ่งมีผล ปรากฏมากเพียงไรนั้นความขยันมันเพียนมาเองเรื่องความอดความตวนความสลับเป็นสลัตายนั้นมาจากผลที่ปรากฏอยู่ภาในใจนี้ทั้งนั้นยิ่งมีความละเอียดมากเพียงไรความขยันมันเพียนก็ยิ่งมีมากแล้วความสามารถจนกระทั่งสลับเป็นสลับตายได้เพื่อจิจดวงนี้ที่จะให้วิเศษยิ่งกว่านี้เป็นไปเดินดับนะ่นี่หลหลักของมนุษย์แก่นของมนุษย์อันแท้จริงคือใจ แกนแห่งธรรมก็คือจิตเมื่อธรรมกับใจได้เข้าเป็นอันเดียวกันแล้วก็เรียกว่าแกนธรรมแกนใจดั่งพระอาหารหันตท่านท่านถึงขั้นสมบูรณ์แล้วธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันจะเรียกว่าธรรมโอปปิโปก็ได้เรียกว่าอาการลิกจิตอากาลิกาธราารมได้ทั้งนั้นคือธรรมกับใจเป็นอันเดียวกันไม่แยกเป็นหนึ่งเป็นสองอะไรไปอีกแล้วเป็นธรรมชาติอันเดียวกัน นี่คือคือผู้บริสุทธิ์แท้เป็นอย่างนั้นเราที่ยังไม่บริสุทธิ์พยายามทําให้เกิดความสงบเย็นใจเถอะคุณสมบัติเหล่านี้เป็นสมบัติของเราแท้มีความเย็นใจจะไปไหนมาไหนก็เย็นสบายจะเป็นจะตายก็ไม่เพราะว่าพระวง์มีความสงบใจเพราะมีฐานมีเรือนใจเป็นที่อยู่คือทำเนี่ยการสร้างใจ การรักษาใจการบำบวนใจด้วยอดด้วยธรรมจึงเป็นงานจําเป็นสําหรับมนุษย์ผู้คิดถึงการอันไกลสมกับเรารับผิดชอบเราเกิดมาแต่กับใดกันใดผู้รับทุกข์รับสุขก็คือเราจะไม่รับผิดชอบเราได้อยปัจจุบันนี้มีความสุขความทุกข์ปรากฏขึ้นมากน้อยเราก็เป็นผู้รับไม่ใช่ผู้อื่นใดเป็นผู้มารับแทนเราก็เรียกว่าเรารับผิดชอบทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่ว แล้อนาคตที่จะเป็นไปตั้งแต่ขณะนี้ต่อไปจนกระทั่งถึงอวาสานแห่งชีวิตนี้หรืออนาคตแห่งพบหน้าต่อไปนั้น <c oughs> ก็จะเป็นเรา <c oughs> นั่นแหละไม่มีผู้อื่นใดที่จะมารับผิดชอบเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพยายามปรับปรุงแก้ไขซึ่งเป็นการรับผิดชอบตัวเองในขณะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไเรื่อยๆอย่าให้เสียสมความที่ว่าเราเป็นมนุษย์แล้วได้นับถือพุทธศาสนาคำว่าศาสนาไม่ใช่ของท่านผู้โง่เขลาบัญ ญ, ญาเป็นประพฤ ศาสนาเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ฉลาดแหลมคมมากในสามโลกธาตุนี้กล่าวพระพุทธเจ้าว่าพูดทางฉลางกระฉามนี่นะทำมาฉลางกระฉามนีสังข์มาังากฉามนี้คล้ายๆก็กล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ว่าเป็นศาสนาถ้าเป็นของเจ้ของไม่ดีใครจะไปกล่าวถึงนี่เพราะเป็นของดีศาสนามาจากท่านผู้ฉลาดเราเป็นผู้ตบบริษทัทจึงพยายามสร้างความฉลาดให้แก่ตัวของเราจะให้เวลาเวล่ํมเวลา การสถานที่เอาไปกินทั้งหมดวันหนึ่งวันหนึ่งมิจิเลศหาเลศหาเรื่องหลอกลวงเราให้ผ่านวันผ่านคืนผ่านปีผ่านเดือนไปวันนั้นดุ้งวันนี้ยากวันนั้นลําบากวันนี้ลําบนวันนั้นร้อนวันนี้หนาวันนี้ไม่สบายมีแต่เรื่องของกิเลสหลอกไปเรื่อยบ่เวลาตายไม่เห็นมันหาการหาเวลาที่ไหนมาว่างหรือไม่ว่างมันยังว่างจนกระทั่งตายได้ไหนก็เวลาจะทําความภาคเพียนทําไมมันหาความว่างไม่ได้ เวลาตายทำไมมันว่างได้เนี่ยเอามาแก้กันตรงนี้มันก็มีเวลาที่จะทําความเพียรเพื่อสมบัติอัตชั่มบัติคือสมบัติส่วนตัวโดยเฉพาะได้โดยไม่ต้องสงสัยและไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคได้เลยมันเดิเป็นอุปสรรคยู่ที่หัวใจมนุษย์ที่เท่านั้นเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเป็นอุปสรรคสุด ท, ที่หัวใจเราเมื่อเราสร้างอุปสรรคด้วยอํานาจของกิเลสหลอกเราโดยที่ไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันก็ต้องสร้างไปเรื่อยเป็นอุปสรรคไปเรื่อยจนกระทั่งถึงวันตายไม่มีวันใดว่างเลย เราพยายามแหวกไหว่อยู่ด้วยสติปัญญาของเราซึ่งเป็นเรื่องของธรรมแก้เรื่องของกิเลสเครื่องหลอกลวงเราก็ทําได้โลกทําได้พระุทธเจ้าทําได้สาวกทําได้ท่านเป็นคนคนหนึ่งทําไมเราทําไม่ได้โลกทั้งหลายที่เป็นชาวพูดเขาทําได้ทําไมเราเป็นชาวพูดเราทํำไมเ้าคนคนหนึ่งมีอะไรบกพ้องต่างกันถึงทําไม่ได้วันคืนปีเดือนมันมีอยู่เต็มทบูลด้วยกันทําไมเราจึงไม่มีเวลาคนอื่นเขาทำไมมี แล้วทำไมเราด้อยกว่าเขามากมายทั้งๆ ท, ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันนี่อุบายวิธีแก้ไขตัวเองมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแหละ น, นี่หมายถึงอุบายแก้กับของเราจะหาเรื่องมาผูกมัดเจ้าของโดยเข้าใจว่านี่เป็นอุบายที่ฉลาดความจริงเป็นอุบายที่ฉลาดของกิเลสแต่เป็นเรื่องความโง่ของเราตรงนี้เป็นมันสําคัญอยู่มากพอพอว่าฉลาดแล้นั่นหละคือเวลามันโง่มันเกิดขึ้นมา ไม่ทันก็นไม่ยางทีง่เลยทั้งท่านทั้งหลายได้อุตส่าหมาบำเพ็ญ น, นี่คือ ว, ว่าไม่เสียเ ว, เวลาเวลาหน้าที่การงานทั้งโลกซึ่งเป็นความจําเป็นเกี่ยวกับเรื่องความเป็นอยู่ธาตุขันเราก็ทําความเป็นอยู่ของจิตใจที่จะได้รับความร่มเย็นเพราะอาหารประเภทใดไ ด, ได้แก่ธรรมคือคุณงามความดีเราก็สร้างไม่ให้เสียทั้งอาหารนอกได้แก่ส่วนร่างกายกับอาหารประเภทต่างๆทั้งภายใน จ, จิตใจกับอาหารคือธรรมอะได้ประโยชน์ทั้งสองเมื่อ มันถึงการของมันแล้วร่างกายไม่ยอมรับอาหารประเภทใดอ้าบปล่อยลงเข้าไปดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปส่วนจิตมีธรรมก็อาศัยทำนี้เป็นเครื่องเสวยท่านกล่าวไว้ว่าธรรมโมหิรคติธรรมจารีถ้าทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมให้ตกไปในที่ชั่วเนี่ยคือรักษาธรรมมันทําอะไรธรรมที่เราบําเพ็ญมานั่นแหละเป็นเครื่องรักษาเราไม่ใช่ธรรมที่บุคคลอื่นบําเพ็ญแล้วมารักษาเรานะธรรมเรานั่นแหละที่รักษา ด้วยดีแล้วเป็นธรรมชาติที่รักษาเราเองปายก็ต้องอาศัยธรรมยู่ต้องอาศัยธรรมไม่ว่าจะถึงไหนก็ต้องอาศัยธรรมจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเอาเข้าสุธิพานต้องอาศัยธรรมจะบริสุทธิ์ได้ด้วยอาศัยธรรมธรรมจึงเป็นสิ่งจําเป็นที่สุดภ า, ายานจิตใจของมนุษย์เนี่เราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งกิจโฉมนุสสปฏิลาโพความที่เกิดมาเป็นมนุษย์นี่มันแสนยากทันว่นแต่เรามันง่าย เราสมภูมิที่สมสมภูมิที่เป็นมนุษย์แล้วเราถึงจะเป็นขึ้นมาเราก็ง่ายแต่เขาที่ยังไม่เหมาะสมภูมิมนุษย์เราเขาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เกิดเป็นสัตว์มีพวกนั้นบกพร่องเรานี่สมบูรณ์เป็นของง่ายสําหรับมนุษย์ในตัวเราเองแต่เราจะประมาทในความเป็นของง่ายของเราซึ่งทั้งที่เป็นของยากสําหรับสัตว์ทั้งหลายที่ก็ไม่มีโอกาสเป็นมนุษย์และให้บําเพ็ญคุณงามความดีและให้เสียเวลาเวลา การเวลามันผ่านไปผ่านไปอย่างนี้แหละวันนี้ผ่านไปวันนั้นผ่านมาหมุนเย็นเปลี่ยนแปลงมีแต่มืดกับแจ้งเท่า น, นั้นแหละมันจะมีอะไรอปีเดือนวันคืนกับว่ากันไปมาลงมาเสมาเมียววอกอาทิตย์การลังคาพุดปรหัสหนึ่งสองสามสี่ห้าแก่แก่เก้าข้ามขีดข้ามหรือว่ามันไปหมุนเย็นกับอเรื่องมืดเรื่องแจ้งนี่แหละความจริงรางการเรามันมีอันเดียวมันเกิดก็เกิดที่นี่แก่เจ็บตาก็อยู่ที่นี่ความทุกข์ความลำบากมันอยู่ที่นี่มันไม่อยู่กับมืดวันปีเดือนน มันไม่อยู่กับปีมาลงมาเสียงมาเมียวมมันอยู่กับร่างกายของเรานี้ทุกแค่ไหนมากน้อยเพียงไรมันเกิดอยู่ที่นี่เนี่ยและสร้างบุญสร้างกุศลก็สร้างให้มันมีอยู่ที่นี่แล้วความสุกจะมีอยู่ที่ใจของเราเนี่ยไม่อยู่กับวันคืนปีเดือนมาลงมาเสียงมาเมียวเมียอะไรเลยรวมลงอยู่ที่นี่เอาละการแสดงธรรมก็เห็นมาสมควรตรงกรุณารวมกุศลให้ลงอยู่ที่นี่แล้วก็เป็นมันว่าไม่เสียหวังยุติตรนี้